หากันมาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมการเจริญสติถือว่าเป็นแนวหน้าแนวหน้าของการลบท่าสึกที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตจิตใจเราแต่ว่าแนวหน้าต้องรีบต่วนเสียหน่อยอย่าพาลุงพลังหน่วยเร็วไว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 ไหวนี่ก็เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั่นเพื่อให้เกิดความรู้แต่เคลื่อนไหวใดๆเรื่องของกายไม่เกิดความรู้อย่าไปเคลื่อนไวหวให้มันเกิดอย่างอื่นส่วนไหนก็ตามเรื่องของกายเช่นลมหายใจการปิดตาการคืนน้าลายการเดินการยืนการนั่งการนอนหรือเราเจตนาที่จะสร้างขึ้นมาตามรูปแบบ ของบัพพะในการเจริญสติปัฏฐานยกมือสร้างจังหวะเป็นกายบัพพะสัมปชัญญะบัพพะบัพพะคือรูปแบบที่ทำให้เกิดสติหามามาประกอบเวลานี้เราด่วนๆเล็ก น, น่อยอย่าไปเอาเหตุเอาผลอนใดมาเป็นเครื่องขวงกันเพื่อที่จะให้ หลุดไปจากความรู้สึกตัวเรายังเพียรพยายามได้ทราบว่าพวกเรามาปฏิบัติแบบเข้มตอนแบบเข้มก็คือรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวต้องแนวหน้าจริงๆล้วนจริงๆมันกับนักครบไวายๆสักหน่อยไวอยยังไง ไปคือเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นการบุกเบิกวิธีใดที่จะรู้สึกตัวหามาเอามาประกอบถ้าไม่ประกอบความรู้สึกตัวก็ไม่เกิดไปเฉยไปคิดเอาเหตุเอาผลวัตถุที่สร้างความรู้สึกตัวเนี่ยก็คือกายคือใจของเรานี่แหละมันจะล้มก็ลงตรงนี้แหละ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 ตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้ถ้ามีสติแล้วมันก็ไปได้หมดเลยเื่องมันจะเกิดสิ่งอื่นตามไปเองจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเองแม้แต่การบรรลุธรรมพระเรียบุคคลเบื้องต้นเห็นพระโสดาบันก็มาเห็นกายนี่แหละอาญานุปสนาสกายทิฏฐิ ทิฏฐิที่มีความเห็นผิดเห็นถูกอยู่ในกายถ้ามีสติเห็นกายอยู่ต่อเนื่องจะเป็นสกายทิฏฐิเห็นถูกไม่มีตนอยู่ในกายไม่เสียเวลาอยู่กับกายเอากายให้เป็นเครื่องบรรลุทาไปเลยเรียกว่าสกายาทิฏฐิไม่มีตนอยู่ในกายเรื่องของกายไม่มีตนเป็นแต่เพียงว่าเห็น เห็นกายตามความเป็นจริงความสุขความทุกข์ไม่เกิดขึ้นบนกายกิเลรตันหาความโลภโกรธหลงไม่เกิดขึ้นอยู่ที่กายเพราะสกายาทิฐิไม่มีตนอยู่ในกายแล้วนี่จะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นก็นเอาอันนี้แหละมาศึกษาเอาสิ่งที่มันมีเพื่อให้เกิดการบุรุษธรรมตรงไหนที่มันหลง ต้งนั่นเป็นการบรรลุธรรมหลงที่กายก็เอากายบรรลุธรรมหลงที่จิตก็เอาจิตเป็นเครื่องบรรลุธรรมการบรรลุธรรมคือทำให้เกิดความรู้สึกตัวบรรลุน้อยๆในไปก่อนพ่นน้อยๆไปก่อนแล้วเราทําได้นะไอ้ใช่ไม่ไอ้ใช่ทําไม่ได้ทุกคนทําได้เชาชีวิตของเราเพื่อการนี่โดยตรงปลูกความรู้สึกตัวโดยตรงเราเปลี่ยนใช่ แต่ก่อนมันเป็นความหลงก็ได้ตายเกิดความหลงใจเกิดความหลงความหลงก็เอาไปฟรีๆเราไม่รู้ด้านไปเลยล้านอยู่ในความหลงร้านอยู่กับความโศกความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจบัดนี้ให้มันเกิดความรู้สึกตัวปฏิบัติคือเปลี่ยนให้เกิดความรู้สึกตัว มีเรื่องอันใดที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเอามาเปลี่ยนให้เกิดความรู้สึกตัวเรียกว่าเข้มเรียกว่าปฏิบัติเข้มอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้อาจจะฟังอยู่อย่างนี้ก็ได้อาจจะเดินอาจจะขบจะฉันอาจจะอาบน้มที่ไหนก็ได้ให้มีความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องยา ว, ยาวนา น, น, าน ความเข้มของการปฏิบัติคือให้มีสติต่อเนื่องอยู่กับกายยาวๆเอากายเป็นหลักเสียก่อนอย่าไปยุ่งกับความคิ ด, คดจิตใจแม้มันจะมีเรเที่ยงไว้ก่อนกลับมาเอานิมิตรคือกายที่ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนมีหลักมันมีหลักปฏิบัติธรรมมันเกาะหลักมันจับหลักเหมือนเรา ไตสะพานที่มีราวจับมันไม่หลุดไม่โหลนง่ายหรอกเพราะรูปแบบของเราพอชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเอื้อไหวไปมาเนี่ยมือเนี่ยมันก็มีจริงๆรูปแบบมือคว่ำไห้บนเข่ามือตั้งไห้บนเข่ามือยกขึ้นมือกลับไปกลับ ม, มันมีอยู่จับไปเกาะไปติดไปให้มันติด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 บทเรียนมาอยู่ตรงนี้ด้ว ย, ยาปฏิเสธบางคนพอมันคิดขึ้นมาก็ยุ่งกับความคิดไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดอย่าไปข้องแวะแบบด้านการปฏิบัติธรรม้าจจะเป็นการเจริญสติจริงๆอาจจะยิ้มไม่น้อยเวลามันหลงคิดไปเพราะมันเห็นของจริงของจริงที่มันเกิดความหลงคือเกิดขึ้นกับจิตใจเรานะให้ทาอย่างนี้ไม่สิ้นเปลืองถ้าไปถือว่าผิดว่าถูก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 ความรู้สึกตัวน้อยๆอาจจะหลงมากอาจจะรู้น้อยเป็นธรรมดาบอกว่าหลงกับพัดไปกับความหลงได้ง่ายได้ไวผู้ที่ปฏิบัติมากมากเราความรู้นั่นแหละมันสนับสนุนเอือความหลงนั่นแหละมันสนับสนุนให้เกิดความรู้ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงอะไรก็ตามสนับสนุนให้เกิดความรู้เคยพูดว่าความหลงความชั่วต่างๆอ่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 ถ้าไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์พุทธะเกิดตรงไหนไม่มีเลยเพราะนั่นจึงถือว่าเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์อย่าไปกลัวความหลงอย่าไปกลัวความพิดอย่าไปกลัวอะไรทั้งหมดเลยมีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวพอแล้วพอแล้วแนวหน้าสำหรับแนวหน้าพอแล้ว ลอยเคลื่อนไหวรู้สึกตัวได้นในแนวหน้าพอแล้วไปได้เลยไม่ต้องมีอะไรเอไเร้ไม่เห็นมีสมาทานไม่เห็นมีศีลไม่เห็นขอกรรมฐานไม่เห็นอะไรไม่ต้องไปจุดทูบจุดเตียนตั้งเวลาเท่านั้นเท่านี้เพ่งอย่างนั้นอย่างนี้ตีะระฆังกําหนดเวลาให้ปฏิบัติตรงนั้นเคร่งเวลานั่งต้องแปชั่วโมงตีะระฆังพา น, นั่งตีะระฆังพาเลิก ตีละคไปโขไปฉันตีละค ร, ไ ป, ไ, ปะครไปอาบน้าเข้มอาบน้ก็ได้อย่แต่ว่าการเข้มจริงๆเนี่ยคือความรู้สึกตัวอยู่ตรงไหนก็ไม่ให้คนอื่นบริหารเราเราบริหารชีวิตของเราเองเราจะไปไหนเราไปกับความรู้สึกตัวเราจะหยุดก็หยุดกับความรู้สึกตัวเราจะทำอะไรกับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวไปได้ทุกพื้นที่ ที่มีอยู่ในกายในใจในชีวิตเราเกี่ยวกับตาเขารู้สึกตัวได้ที่จะดูเลยหูฟังเสียงเขารู้สึกตัวได้จะคบจะฉันจะอาบหน้าเขารู้สึกตัวได้จะหลับจะตื่นเขารู้สึกตัวได้หัดหลับหัดตื่นให้มีความรู้สึกตัวพอตื่นปั๊บรู้สึกตัวอาจจะรู้สึกตัวก่อนตื่นก่อนลืมตาก่อนที่มันจะตื่นจริงๆรู้สึกตัว ชัดเจนไม่สลุมสลือไม่คลุมเครือไม่หมกมุ่นไม่เศ้ามองอะไรรู้สึกตัวชัดตื่นขึ้นมาตื่นภายในความรู้สึกตัวตื่นภายในชัดเจนแม่นยะการปฏิบัติธรรมแล้วทำอย่างนี้เราก็ทำได้จริงจริงไม่มีใครทำไม่ได้ความรู้สึกตัวไม่ใช่เพศไม่ใช่วัยไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่ในกายไม่ใช่ชาต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 นี่คือของกิ่งสากลแห่งธรรมถ้าเรามีความรู้สึกตัวทุกชีวิตที่นั่งอยู่ที่นี่เกือบลอยคนแต่เป็นคนคนเดียวทุกคนในความรู้สึกตัวอา้าสงบทันทีสงบทันทีต่างทุกชีวิตดีความรู้สึกตัวไม่ทำชั่วละความดีจิตบริสุทธิ์ไปเลยไปเลยนะปันนี่นะทำเนะี่ย เป็นพลังเกิดขึ้นทันทีเลยทันทีเลยเป็นปัจจดตังทันทีเลยเนี่ยเอากิง่งๆลองดูเอาตรงๆต่อหน้าต่อตาลองดูมีแล้วมีกายแล้วเอามาเป็นวัสดุอุปกรณ์สร้างความรู้สึกตัวตามรูปแบบไปก่อนบางทีนอกรูปแบบก็ยังได้ความรู้สึกตัวไปเล่นไป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 เขาก็จับคอมันได้เขาหยอกมันหยอกล่อให้มันพอมันโชกมากๆเขามันก็เหนื่อยเหมือนกันพวกงูเนี่ยไปเห็นเขาเล่นกับงูให้ปล่อยให้เขมันโชกอยู่โชกอยู่สักสามสี่ห้าครั้งมันก็บดแรงเหมือนกันเช่นคนเราที่โกรธเนี่ยเขโกรธของเรามันก็บดแรงเหมือนกันหมดแรงเหมือนกันอาจะได้บรรลุธรรมที่มันหลงมันก็ได้ ถ้าฉะนั้นเล่นกับมันก็ได้เล่นกับความหลงก็ได้ถ้ามีความรู้สึกตัวนะอย่าไปถนอมอย่าไปเพราะว่าพววงอย่าไปกลัวอย่าไประวังจนเกินไปความรู้สึกตัวไม่ใช่ระวังมันมีพร้อมแล้วถ้ามีความรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้วไม่ต้องไประวังไม่ต้องอยากอย่าให้อะไรไปแทรกซ้อนอยากลู่จึงสร้างอยากบรรลุธรรมจึงมาสร้าง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 ไปเป็นพงพวงจับอันที่มันถูกแล้วอัดดื้อเขาก็ไปได้หมดเลยไม่ต้องไปจับหลายสิ่งหลายอย่างเรียกว่ากำมือเดียวปฏิบัติทำเอาเท่านี้ไปก่อนอย่ากลัวว่าจะไปรู่วอะไรถ้ามีสติที่มันประสบการณ์ได้บทเรียนจนแน่นอยู่ในกายสตินแน่นอยู่ในจิตใจแล้วอะไรมันจะไปปัญหาต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะรั่ไปเลยก็จะหลุดไปเลย พความรู้สึกตัวมันต่างกันกับอย่างอื่นมันเป็นสมบัติของกายของจิตความหลงไม่เป็นสมบัติของกายของจิตความถูกต้องความชอบที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วอันเดื่อมันก็จะเกิดความชอบขึ้นไปทันทีนี่คือกรรมยางไงกรรมคือการกระทำนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมสุดยอดของการศึกษาคือกรรม วิชากรรมฐานมันต่างกับวิชาอื่นที่เราเรียนมาถ้าเป็นศาสตร์ก็ศาสตร์ของชีวิตมันเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราหมายถึงความโลภความโกรธความหลงความทุกข์อะไรต่างๆไม่ใช่ความรู้ความรู้หาเรียนเอาแต่ว่าทำเป็นเนี่ยต้องทาให้เป็นการทำให้เป็นเนี่ยต้องต้องเรียนจากตัวเอง เวลาใดมันหลงอ๋อทาความรู้ได้แล้วเป็นแล้วทําความหลงให้เป็นความรู้ได้แล้วเป็นแล้ ว, เ, ลวลลเป็นแล้วเวลาใดที่มันโกรธทําความโกรธให้หายโกรธโอ้ทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วให้ทำให้เป็นการสอนให้เป็นเนี่ยต้องสอนตัวเราต้องเรียนจากตัวเราการที่จะหาความรู้เรียนจากคนอื่นคนอื่นสอนให้จําออกมาเอาไปประกอบเอาเป็นวัตถุสิ่งของพิสูจน์ แต่ถ้าเป็นความรู้เป็นปัญญาแบบทางโลกที่มีการศึกษาแต่ว่าการศึกษาศิกขาคือสินสมาธิปัญญาทาเป็นศินก็กำจัดความทุกข์หรือว่าศินกำจัดกิเลสอย่างอยากสมาธิกาจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดยนะ่มมันเป็นไปเอง ศีลเนี่ยแต่ศีลมันก็ปกติน่ะ น, นะเพราะเรารู้สึกตัวมันก็ปกติแล้วขณะที่เราสร้างสติยอยู่นี่มันก็เป็นการรักษาศีลแล้วไม่มีใครไปด่าไม่มีใครไปทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้มันคิดขึ้นมามันก็รู้สึกตัวยังไม่แสดงออกทางกายกรรมวิธีกรรมมันก็เป็นการสํารวมอายัจนะกเป็นศีลแล้วศีลเบื้องต้นแล้ว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 หนึ่งวันถึงเจ็ดวันอาจจะเกิดคุณภาพเกิดชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปอาจจะเป็นพระขึ้นมาได้อนนี้สงสองประการเจ็ดวันอย่างไวอันนี้สองสองประการคือเป็นพระอาณาคามีบุคคลหรือเป็นพระรหลานได้จเจริญสติต่อเนื่องหนึ่งวันถึงเ็ดวัน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 มันเป็นไปไม่ได้เราจะไม่ห้ามให้มันสูบมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันอยากเพราะมันอยากมันยังสูบเพราะมันสูบมันจึงติดเพราะมันติดมันจึงอยากมันเป็นกรรมมิบากมันหมุนไปอย่างนั้นเราเลยจะตัดจะตัดตรงไหนตัดไม่สูบเพราะไม่สูบจึงไม่ติดเพราะไม่ติดจึงไม่อยากเพราะไม่อยากจึงไม่สูบเอ้าวมันเกิดมาแบบนี้มันกรรมมันลิขิตไปแบบนั้น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 เริ่มต้นจากตรงนี้เอาไปเอามามีแต่ตัวลูกตัวหลงชีวิตเราโอ้กันง่ายขนาดนี่หรือาจจะว่าได้นะโอ้มันขนาดนี่หรืเนี่ยพอตัวขนาดนี้แล้วนะ่ะไปกันเป็นพวงไปเลยถ้ามีความรู้สึกตัวศีลก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิดศีลก็มาช่วยสมาธิก็ช่วยปัญญาก็ช่วยเกิดเป็นมรรคเป็นผลมรรคคือการกระทำผลคือมันลูก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 แย่ที่เดียวกันสมนม้ำสมเอื่องกิ้งการเจริญสติเนี่ยไม่ต้องไปภาวะโผงไม่ต้องไปหาเหตุหาผลมันเสียเวลานะนี่แหละคือการปฏิบัติเข้มใส่ใจที่จะรู้เสึกตัวอยู่เสมอมารมวัดสวนมนตก็ได้ไปขบไปฉันก็ได้อยู่กับโมก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัติเดียวอยู่คนเดียวก็ได้ปฏิบัตรกริกับโมก็ได้ เพราะที่จริงแล้วเราอยู่คนเดียวเราอยู่กับหมู่ก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหมู่ถ้ามันจะหลงอยู่กับหมู่เราก็ไม่หลงเนี่ยเวลาเราไปเปิียนทวารเพื่อนชวนให้หลงเราก็ไม่หลงยิ่งดีจะได้ฝึกหัดตรงที่มันง่ายที่จะหลงจะได้รู้เสถีตัวตอนทีเพื่อนชวนคุยพูดเล่นเพื่อนแล้วหลงโอ้เราไม่หลงเราไม่หลง เพื่อนเราพาหัวล้พาเล่นโอ้เราไม่หลงเราไม่หลงเราไม่เล่นมันจะเก่งตรงนั้นด้วยซ้าไปนะถ้ามีสติจริงๆช่วยตัวเองเป็นนะช่วยตัวเองเป็นทุกกรดีเลยจะเป็นทางไหนก็ได้เพรเพื่อนเพราะเสียงเวทล่ออะไรต่างๆอาจจะเป็นเวทีของการเจริญสติไปหลายหลายแบบนอกรูปแบบก็ได้ มันห ล, ลงอยู่ที่ใจมันหลงอยู่ที่ใจเอ้ามันหลงอยู่ที่เพื่อนที่มิตรเอ้าเราก็รู้สึกตัวได้เนี่ไม่ใช่ถนอมลุยลุยความรู้สึกตัวเป็นลักษณะการลุยลุยไม่ถนอมย่องเอาไม่ใช่แบบนั้นนะเหมือนเราเดินอจงกรมไม่ใช่ย่องลุยลุยสักหน่อยให้มันรู้สึกตัวได้พลังงานได้สติด้วย ก้าวนะให้เต็มก้าวพอดีคนหนุ่มคนแก่ตามพลังของตนเองถ้าคนแก่ไปย่องมันไม่สมสัดสมส่วนมันไม่คล่องต้องเดินตบเท่าสักหน่อยคนแก่ให้มันพอดีมันจึงเหยียบแม่นแต่ไปย่องมันเหยียบไม่แม่นมันเซ่เซ่ดัความรู้สึกตัวมันพอดีกับวัยของเราจะไปทําแบบเดียวกันก็นไม่ได้ความรู้สึกน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 ไม่ใช่ตีล้วขังบอกคุณหลงแล้วนะไม่ใช่คุณพลาดแล้วนะเครื่องลูกเครื่องหลงแล้วนะไม่ใช่คุณจะต้องลู้เองแต่มันพลาดเครื่องหลงเครื่องลูกมันก็วางหลงตั้งหน้าใหม่วางใบหน้าใหม่ยืดตัวใหม่ตั้งจัหวะใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ให้มันชัดเจนชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยเริ่มต้นใหม่อยู่เรยรูจักเริ่มต้นใหม่ปรับปรับชีวิตของเราให้มันเหมาะสมอยู่โดยชอบ แม้เรานั่งอยู่ไม่ก็ไม่ใช่ชอบนะท่านหลงสงกง่วงเราหอนอนคนอื่นเขาไม่ว่วงเราง่วงทําไมก็มันก็ง่วงจะไปบังคับเวลาสามชั่วโมงมานั่งอยู่นี้ลุกไปไหนไม่ได้อาจจะไม่ถูกเสมอไปเรามันง่วงมากๆจะทําไงไปนั่งเสียเวลาอยู่ตรงนั้นลุกขึ้นมีสติช่วยตัวองลุกขึ้นไปเดินอันนี้มันต้องตัวใครตัวมันอย่าปล่อยให้ความง่วงครอบงํา นาทีสองนาทีไม่เอาต้องตื่นตื่นในขณะที่มันง่วงรู้ในขณะที่มันง่วงมันจะมีประสบการณ์นะบางคนก็พอง่วงเกิดขึ้นกับคล้อยตามอ่อนไปเลยหมดแรงไปเลยอย่าไปทำแบบนั้นตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันง่วงตื่นขึ้นมาทันทีในขณะที่มันหลงรู้สึกตัวขึ้นมาทันทีมันจะพัดไปอยู่ตรงไหนก็มาหาความรู้สึกตัวนี่ แล้วก็ทําได้อย่างนี้จริงๆนะเรารู้สึกตัวทําได้จริงๆแนมะ่มันดีนะแต่เวลาใดที่มันง่วงมันรู้สึกตัวนะี่ยโอ้ทันทีเลยหนะ้ามือเป็นหลังมือฝีมือของเราเองการกระทาของเราเองอย่างนี้ไม่มีใครไปช่วยเราดอกการปฏิบัติรมให้ยืนอยู่บนลำแข้งของตอนเองอาใัยตนเองเรียกว่ากรรมคือการกระทําของเราจริงๆ ไม่มีใครช่วยใครได้แต่ว่าแนะนำพัฒน์สอนเป็นเพื่อนกันได้เวลาใดมันผิดผู้สอนก็รู้อยู่เพราแต่พูดให้ฟังบางทีก็เห็นทียาก็บอกกันได้เขาหลงยังไงเขาลู่ยังไงบอกได้นั่นจึงเป็นเพื่อนกันเป็นกันระยาณมิตรปฏิบัติธรรมกันระยาณมิตรเนี่ยพาไปถึงมรรคถึงผลได้จยาเป็นเหมือนกัน ในหมู่มีมิตรในเพื่อนมีครูว่าอาจารย์ในทรัพยะกมีอาหารพออยู่ได้ในที่อยู่พออยู่ได้มีบุคคลพอพึกพออาศัยได้เป็นที่ฝึกษาหาหรือได้มีธรรมมันเป็นแน่วแน่เป็นเป้าหมายที่เราสร้างขึ้นเช่นมีธรรมไม่ไรไม่ธรรมมีสตินี่แหละมีจริงๆสตินี่มีธรรมเราสร้างขึ้นว่าสติมันเป็นธรรม เป็นธรรมที่เป็นกุศลเป็นธรรมที่เป็นแม่ของกุศลทั้งหลายถ้าไม่มีแม่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแต่เป็นมรรคเป็นผลต้องเกิดขึ้นบนแม่เป็นมรรคเรียมกมรรคคือการกระทําของเราเนี่แหละอ่าให้สบายใจเลยพวกเราอย่าไปลังเลยสงสัยอย่าไปพ้องแวกเชิงใดเคยทําแบบไหนเคยเป็นมาอย่างไง ร, รู้อะไรมาไม่เป็นไร ลูกก็ได้แต่เวลานี้เรามาสร้างสติเรามาสร้างสติไม่ได้ไปเอาความรู้ของท่านทิ้งไปสติมันก็เป็นของเราอยู่แล้วแต่รู้สึกตัวมันก็ไม่หลงอยู่แล้วถ้าหลงถ้ารู้สึกตัวคมหลงก็หมดไปได้จริงๆแม้แต่ความโกรธก็หมดไปถ้าความรู้สึกตัวมีแต่เวลาใดที่มันจะหลงเรารู้สึกตัวเวลาใดมันโกรธเรารู้สึกตัวไปทางนี้ไปทางนี้เอียงไปทางนี้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 ถ้าปัจจุบันมันดีมันจะริคิดไปเองอย่างนี้วันนี้ก็พูดให้ฟังเป็นคำพูดที่พิสูจได้คำพูดหลวงพอ่อสัมผัสได้ไม่ใช่คำพูดให้จำเอาคำพูดไปสัมผัสให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวโอ้รู้สึกตัวคำพูดออกมาสัมผัสกับกายคำพูดออกมาสัมผัสกับใจนี่คือสอนธรรมสอนกรรมฐานอ้าวสมควรใจเวลา เ, เรากราบพระพร้อมกัน